วันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดพิเศ ษ, ษเนื่องจากเป็นวันต่อเนื่องวันเชื่อมระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาและวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะตามมา ทางราชการทางการจึงได้ให้วันนี้เป็นวันหยุดเพื่อจะได้มีวันหยุดต่อเนื่องกันห้าวันเพื่อที่จะได้ทำกิจต่างๆหรือพักผ่อนจิตใจผู้ที่มีความสนใจ ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราก็จะมาวาัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็มาสัมผัส ร, รถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงไม่มีรถอะไรในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับรสของธรรมธรรมก็คือความสงบของใจความสงบของใจนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือบรลมะสุขที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุ ข, ขังความสุขของพระนิพพานเป็นความสุข ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำว่าพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติธรรมใจตอนนี้ของพวกเรายังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์ใจของพวกเรายังมีความโลภมีความโกรธ มีความหลงมีความอยากต่างๆอยู่จึงทําให้ใจของพวกเรายัางไม่มีความสุขกันเพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่แหละที่ทําให้ใจเราทุกข์กันทําให้ใจเราไม่สบายกันทําให้ใจเราวุ่นทําให้ใจเราไม่สงบกันเราจึง ไม่ค่อยมีความสุขกันถ้ามีความสุขก็เป็นความสุขปลอมความสุขที่พุ่มห่อความทุกข์ไว้นี่คือความสุขที่พวกเราส่วนใหญ่ได้สัมผัสกันก็ความสุขทางลาบยศเสริญความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จางหายไป แล้วก็ความทุกข์ก็ตามมาต่อไปแล้วพอมีความทุกข์ก็ต้องไปหาความสุขใหม่เพื่อที่จะมากรบความทุกข์ความสุขใหม่ได้มาก็ได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็จางหายไปก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเพราะความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่ดี ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การปฏิบัติธรรมก็เลยถูกความหลงความไม่รู้นี้หลอกให้ไปมีความโลภในลาบยศสรรเสริญโลภในรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะปาพอได้มาก็ดีใจพอไม่ได้มาก็เสียใจหรือโกรธ พอเสียใจหรือโกรธก็ทุกข์ใจกันแต่ก็ไม่ไม่หยุดก็ยังค้นคว้าหากันต่อไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันต่อไปเพราะไม่รู้ว่ามีความสุขรูปแบบหนึง่งความสุขแห่งธรรมความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวง ถ้าไม่ได้มาวัดไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ความจริงอันนี้จะไม่รู้ว่ามีธรรมที่จะให้ความสุขแก่เราและจะไม่ให้ความทุกข์กับเรามีแต่ความสุขล้วนๆถ้าปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระของพระพุทธเจ้าได้ จะได้พบกับความสุขที่เลิกที่ประเสริฐความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขของพระนิพพานนิพานังปรมังสุขคังการจะทำให้ใจของเราเป็นนิพพานได้เราก็ต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วเราต้องใช้เครื่องมือใช้ทำเป็นเครื่องมือในการกำจัดความรู้ความโกรธความหลงเพราะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความรู้ความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจเราก็เปรียบเหมือนเสื้อผ้า ที่เราสวมใส่แล้วมันก็เกิดความเปรอะเปื่อนเกิดความสมกปรกมีคราบสกปรกต่างๆติดอยู่ในเสื้อผ้าเราต้องนำเอาไปซักเอาไปกําจัดคราบต่างๆเราก็ต้องมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีน้ํามีอ่างมีภาชนะใส่น้ํา ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีผงซักฟอกเพราะถ้าซักด้วยน้ำเฉยๆคราบสกปรกที่มันที่มันเกาะติดอยู่แน่นหนามันจะไม่ออกมาจะกําจัดคราบบางอย่างได้บางส่วนได้แต่จะไม่สามารถกําจัดได้หมดจาเป็นที่จะต้องมีผงซักฟอกที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถกําจัดคราบสกปรกต่างๆให้ออกจากเสื้อผ้าไปให้ได้หมดจันใดธรรมะที่เราเอามาใช้ขัดเกลาจิตใจของพวกเรากําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็เป็นเหมือนกับน้าเป็นเหมือนกับผงซักพอกถ้าเราซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว มันก็กำจัดได้เพียงบางส่วนเราต้องมีผงสักฟอกที่มีประสิทธิภาพดีถึงจะสามารถกำจัดได้หมดธรรมที่เราที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรานำมาซักภากจิตใจของพวกเราก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันก็คือทานศีลและภาวนา ถ้าเราใช้ทานใช้ศีลก็เหมือนกับใช้น้ำเปล่าก็สามารถกำจัดความโลภ ค, ความโกรธความหลงให้หายไปได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกำจัดให้มันหายไปได้หมดถ้าเราไม่ภาวนานี่เราจะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทาให้ใจถ้าใช้ทานใช้ศีลก็ พอที่จะทําให้กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากเบาบางลงไปแต่ไม่ได้ทําให้สะอาดบริสุทธิ์ทําให้มีความสุขในในระดับหนึ่งเช่นในระดับของเทพของของมนุษย์นี่เกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศี่ห้าแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขในระดับ ที่สูงกว่าคือระดับของพรมระดับของพระอริยะเจ้าเราก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดและการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเรารักษาศีลแปดได้และบาําเพ็ญสมถภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานได้ เราก็จะได้ความสุขระดับพรหมโลกแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะเหตุที่ทำให้ความสุขนี้ยังมีการเสื่อมได้ก็คือสติเวลา มีสติก็ทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอกำลังของสติอ่อนลงจิตก็จะถอนออกมาจากความสงบออกมาสู่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดตันหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ เป็นความสุขที่ถาวรก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสุดก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญา่านที่จะปฏิบัติขั้นปัญญาก็ต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรจะรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจนี้จะได้ความสุข ในระดับของพรมมโลกเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้จากวิธีกำจัดปัญหาความอยากที่มาทำลายความสงบที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ทำให้ความสงบนั้นหายไป แต่ไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากให้หายไปอย่างทาวรททำได้อย่างมากก็ใช้สติคุมไวพออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้สติกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm. เช่นอยู่กับคำบรลิกามพุทโธพุทโธความอยากนั้นก็จะหายไปชั่วคราว จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบได้ชั่วคราวพอออกมาเจอความอยากอีกก็ใจก็วุ่นวายขึ้นมาอีกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการตัดสั้รรมของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกําจัดตันหาความอยากกิเลตความโลภความโกรธความหลง ให้มันหมดไปจากใจแต่พอมีการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วมีการนำเอาธรรมที่พระองค์ทรงตัดสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังก็สามารถนำเอาไปกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ความรู้ที่พระเจ้าทรงตัดสู้ก็คือพระอริยสัจสี่ทรงรู้ว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากตัณหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเรียกว่าการว่ตัณหาความอยากเจริญในลาบยศสระเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าภาะวะตัณหาความอยากไม่ให้ลาบยศสระเสริญสุขเสื่อม เรียกว่าวิภาวะตัณหาพอมีความอยากเหล่านี้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาที่เห็นว่าราบยศสารเสริญ ส, สุขรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครมาขัดขวางไม่มีใครมาห้าม ไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขนั้นเสื่อมได้ไม่มีใครสามารถสั่งให้ลาบยศสรรเสิญสุขนั้นเจริญเพียงอย่างเดียวได้เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นอย่างนี้มีการเจริญย่อมมีการเสรื่อมเป็นธรรมดาพอพระอัญญาณกนทั ญ, ญได้ฟังทำอันนี้จิตใจของท่านที่มีสมาธิอยู่แล้ว มีชานอยู่แล้วแต่ขาดปัญญาพอได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์ของท่านนี้เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากความอยากในราบยศสะะสรสนสุขแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปยับยั้งไม่ให้ลาบยศสะะสรสนสุขนั้นเสื่อมได้ไม่มีใครที่จะไปสั่งให้ลาบยศสะะสรสญสุขนี้จเจริญไปเพียงอย่างเดียวได้ ท่านก็นเลยเห็นความจริงเห็นสัจธรรมว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดก็คือราบยศรรสารสนุกนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็ต้องย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครมาห้ามมาได้ถ้าอยากไม่ให้ราบยศสา ร, รสุข ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาท่านเข้าใจท่านก็เลยละความอยากทั้งสามอยากในรูปเสียงกลิน่นนสดอยากในลาบยศสรารเสริญสุขให้เจริญไม่ให้เสื่อมพอท่านละได้ใจของท่านก็สบายมีความสุขอันนี้เป็นการเห็นธรรมในระดับขั้นที่หนึ่ง อดับของพระโสดาบันพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราไม่เป็นของเราไม่สามารถทําให้เราไม่สามารถห้ามให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเช่นร่างกายก็เป็น เรื่องของธรรมชาติเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งได้ร่างกายเราไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เราไปสั่งให้มันอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ถ้าเราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายเจ็บเราไปอยากให้หายอยากให้มันไม่เจ็บนี่ มันไม่หายเราก็จะทุกข์ถ้าเราเฉยๆยอมรับความจริงว่าความเจ็บนี้เราสั่งเขาไม่ได้เหมือนเสียงที่เราได้ยินขณะ น, นี้เสียงนกเสียงกาที่กําลังร้องอยู่ขณะ น, นี้เราสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเงียบไม่ได้พอเราไม่ไปอยากไปสั่งให้เขาเงียบเราก็ไม่เดือดร้อนกับเสียงของเขาเสียงของนกของกาตอนนี้เหมือนก็เหมือนกับ ความเจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วใจไปรับรู้ใจก็รับรู้ด้วยวิญญาณโสตะโสตะวิญญาณรับรู้ทางหูรับรู้เสียงทางหูความเจ็บนี้ก็รับรู้ทางผูฏฐะทางร่างกายมันก็เข้ามาสู่ใจเป็นสภาวะธรรมขึ้นมาภายในใจเสียงก็เป็นสภาวะธรรมอย่าง สัมผัสทางร่างกายก็เป็นสภาวะทมอย่างหนึ่งเช่นทุกขเวทนาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเสียงเราไปสั่งเสียงให้มันหายไปไม่ได้มันจะหายมันหายไปเองเช่นตอนนี้มันหยุดร้องแล้วเสียงนกไม่มีแล้วพอมันหยุดร้องถ้าอยากจะให้มันร้องก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่ไปอยากกับมันมันร้องก็ไม่ได้ไปอยากให้มันหยุด มันหายไปก็ไม่ได้อยากให้มันร้องใจของเราก็จะไม่เดือดรนะ้อนใจของเราก็จะเฉยเฉยสบายฉันไดเสียงนี้กับเวทนานี้ก็เป็นเหมือนกันเวทนาทางร่างกายมันก็มาผ่านทางร่างกายเสียงก็มาทางหูนัมันก็เข้ามาสู่ใจใจก็เป็นผู้รับรู้ถ้าใจฉลาดใจไม่ง่ถ้าใจเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าดับไปแล้วแต่อย่าไปรู้ด้วยความอยากอย่าไปรู้ว่าตอนนี้เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเกิดเสียงขึ้นมาแล้วไม่ชอบเสียงไม่ชอบเวทนาอันนี้อยากให้มันหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี่แหละเป็นตัวที่ที่กัดกร่อนจิตใจที่ ทำให้ทนอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ใช่เพราะเสียงหรือไม่ใช่เพราะเวทนาทุกขเวทนาถ้าใจเฉยใจก็อยู่กับเสียงได้ทุกชนิดจะรับรู้เสียงได้ทุกชนิดถ้าใจอยู่เฉยๆมีอุเบกขาจะรับรู้เวทนาได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนา หรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าใจมีปัญญามีอุเบกขาใจจะรู้เฉยเฉยเพราะใจจะรู้ว่าถ้าไปอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใจจะทุกขขึ้นมาทันทีแล้วทุกนี้แหละที่ทำให้ใจทรมานไม่ใช่ทุกขเวทนาของร่างกายไม่ใช่เสียงที่ได้ยินเช่นบางทีเราก็ได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบ เสียงคนเขาตาหนิติเตียนเข้ารหานินทาดูถูกเหยียดหยามพอเราได้ยินเสียงอย่างนั้นขึ้นใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงคข้รหานินทาทุกข์เพราะความอยากไม่ต้องการจะได้ยินเสียงคข้ารหานินทาเหมือนกับทุกข์เพราะไม่อยากจะต้องพบกับทุกขเวทนาเหมือนเป็นเหมือนกันเสียงก็เป็นเสียง เวทนาก็เป็นโผฏฐะพระทุกขเวทนาก็เป็นโผฏฐะพระโผฏฐะพระที่มาสัมผัสกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งทําให้เกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นมาเสียงที่ไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ดีพอมาสัมผัสกับใจก็ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าเสียงไม่ดีมันทําให้ เจ็บปวดเหมือนกับเวทนามันทำให้ร่างกายเจ็บปวดเราเฉยๆเสียเราอย่าไปตอบโต้เราอย่าไปมีกิริปฏิกิริยาเราอย่าไปมีความอยากให้เสียงนั้นหายไปให้ทุกขเวทนานั้นหายไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะอยู่กับเสียงข้ารหานินทาเสียงตำหนิตีเตียนเสียงดูถูกเหยียดหยาม ได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเช่นเดียวกับทุกขเวทนาถ้าใจเราเฉยใจเรามีปัญญาห้ามไม่ให้มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปมันก็จะไม่มาทำให้ใจของเราเดือดร้อนแต่อย่างใดเราก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่ทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดมันก็มีดับไปเป็นธรรมดาเสียงสัคคะรหานินทาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วมันก็ดับไปพอเขาด่าแล้วมันก็หายไปแต่ตัวปัญหาก็คือใจไปเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเอามาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังทีไรคิดทีไรก็ทุกข์ขึ้นมาทุกทีทุกเพราะอยากไม่ให้เขาดา่า เราทุกข์เพราะเสียใจเพราะเขาไม่ควรดา่ดาแต่เขาดา่าเพราะเราไม่อยากให้เขาดา่ามันก็เลยทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงดา่าไม่ได้ทุกข์เพราะทุกขเวทนาทุกขเพราะความอยากไม่ให้ดา่าทุกขเพราะความอยากไม่ให้มีทุกขเวทนาดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจเราคอยดูเฝ้าดู ความอยากว่ามันเกิดขึ้นหรื อ, อยังเกิดแล้วต้องหยุดมันการดูจิตท่านให้ดูตรงนี้เวลาดูจิตให้ดูที่ตัณหาความอยากว่ามีตัณหาความอยากหรือเปล่าใจมีความทุกข์หรือเปล่าใจไม่สบายหรือเปล่าถ้าใจไม่สบายนี้มันมีตัณหาความอยากเกิดขึ้นแล้วแล้วเรารู้เปล่าว่าตอนนี้กําลังมีตัณหาความอยากกับเรื่องอะไร ถ้ามีสติมีปัญญาคอยจดจอ่อเฝ้าดูจะรู้ว่ามันมีความทุกข์มันมีความอยากกับเรื่องอะไรอยากกับเรื่องเสียงหรือเสียงก้รหานินทาหรือเอยอยากกับทุกขเวทนาหรือมันจะรู้ดูแล้วมันก็ต้องหยุดความอยากต้องยอมรับว่าไปห้ามเสียงเขาไม่ได้ห้ามเสียงด่าไม่ได้ห้ามทุกขเวทนาไม่ให้เกิดไม่ได้ หรืสั่งให้ทุกขเวทนาหายไปก็ไม่ได้สั่งให้การค้รหานินทานั้นหายไปก็ไม่ได้ใครอยากจะค้อรหานินทาใครอยากจะดูถูกเหยียดหยามก็ต้องปล่อยเขาไปปล่อยเขาว่าไปมันไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นเองความอยากให้เขาไม่ค้อรหานินทาไม่ดูถูกเหยียดหยามเราอันนี้ก็คือ ทรรมที่พระธเจ้าทรงตัดสโลที่เรียกว่าอริยสัจสีทุกสมุทัยทุกใจเกิดจากสมุทัยความอยากการดับของความทุกข์ใจก็เกิดจากมรรคก็คือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจรักนั่นเองห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาจะด่าก็เป็นเรื่องของเขา เขาจะไม่ได่าก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะชมหรือไม่ชมก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจ็บเขาก็เจ็บขึ้นมาเขาจะไม่เจ็บเขาก็ไม่เจ็บขึ้นมาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้ หน้าที่ของใจอยู่ที่คอยกำจัดตัณหาความอยากทั้งสามตัวนี้เท่านั้นคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาการจะกำจัดก็ต้องมีสติปัญญาคอยเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิดและก็ต้องมีใจที่สงบถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าใจไม่สงบเวลาตัณหาเกิดขึ้นมานี้จะมองไม่เห็นจะไม่รู้ว่าเป็นตัณหา แต่ถ้าเวลาใจสงบนี้เวลาตันหาโผลขึ้นมานี่มันจะทำให้ใจที่สงบนี้กระเพื่อมขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนน้าที่น้าในสระที่นิ่งไม่มีใครไปกวนไม่มีใครไปทำให้มีคลื่นถ้ามีปลาโผลขึ้นมานี่จะเห็นการกระเพื่อมของน้ำทันทีหรือถ้ามีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ำก็จะเห็นการกระเพื่อมของน้ำทันที การที่จะเห็นอริยสัจเห็นตัณหาความอยากเห็นความทุกข์นี้ต้องเห็นด้วยใจที่สงบถ้าใจไม่สงบนี้ไม่เห็นจะไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นจินตาะมยพปัญญาเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นอย่างแท้จริงหน่อยไม่เห็นโทษของตัณหาความอยาก แต่เวลาใจสงบนี้มันมีความสุขมากพอตันหาความอยากโผล่ขึ้นมานี้มันทำลายความสุขทันทีก็จะรู้เลยว่านี่แหละคือตัวที่เราจะต้องกำจัดก็คือตันหาความอยากไม่ใช่เป็นตัวที่เราจะไปสนับสนุนเช่นพอมันอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปทาตามมันความสงบ ก, ก็หายไปความสุขที่ได้มาก็เป็นความสุขปลอม ความสุขที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นล้นถ้าไม่ได้เสพก็เสียใจทุกใจใจถ้าได้เสพแล้วความสุขตั้นหายไปก็เกิดความอยากจะเสบขึ้นมาใหม่อีกถ้าไม่เสบก็จะทุกข์ใจอีกอันนี้จะเห็นโทษของตัณนหาความอยากแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องกำจัดมันเพียงอย่างเดียวคือไม่ทำตามมันใช้สติปัญญาใช้ ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบต่อไปไม่ปล่อยให้ไปทําตามตันหาความอยากพอไม่ไปทําตามแล้วตันหาความอยากนี้มันก็จะอ่อนกําลังลงไปและหมดไปในที่สุดแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาสร้างความรบกวนสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปใจก็จะมีความสงบไปตลอดนี่เรียกว่าได้กําจัด ได้ชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วได้กาจัดตัณหาความอยากตัณหาก็คือความโลภนี่เองความโลภที่เกิดจากความหลงแล้วก็ความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากการที่ไม่ได้ดังใจอยากเวลาโลภแล้วไม่อยากได้แเราไม่ได้ตามที่อยากจะได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาดังั้นพอเรามีปัญญาเห็นแล้วว่าต้องกําจัด ความโลภต้องการจับกำจัดความอยากอันนี้ก็เท่ากับการไปกำจัดความหลงแล้วพอมีปัญญาก็ไม่หลงแล้วถ้าไม่มีปัญญาก็จะหลงโลภเห็นรูปเสียงกลิ่นรส ก, ก็อยากจะสัมผัสก็ต้องไปสัมผัสไปเสพแต่ปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปสร้างความสุข เห็นที่ใจเห็นที่ใจที่สงบเพราะถ้าพอใจสงบนี้อยากจะไปหารูปเสียงกินรดความสงบก็จะหายไปก็จะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมได้แล้วก็หมดไปก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเวลาที่หาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือมรรคคือปัญญาสติก็คือสิ่งที่หยุดใจหยุดความคิดทำใจให้สงบต้องมีสองอันนี้ถึงจะสามารถรักษาใจชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เบื้องต้นก็ใช้สติหยุดใจหยุดความคิดต่างๆให้ใจสงบพอใจสงบแล้วเวลาความโลภโผล่ขึ้นมาเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็จะเห็นโทษของมัน เห็นว่ามันเป็นตัวที่สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นเก็จะใช้ใช้ปัญญากําจัดมันให้เห็นโทษว่าการไปทําตามความอยากนี่นําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปหมดไป นี่คือการเห็นอริยสัจสี่เห็นธรรมต้องเห็นด้วยใจที่สงบนะตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีในวันอาสาห บ, บูชานี้พระปัญจวัคคีก็เป็นผู้ที่มีสมาธิกันแล้วได้ฝึกสมาธิจนชำนาญมีฌานมีจิตใจที่สงบ พ, พอฟังธรรมของพุทธเจ้าก็เข้าใจความหมาย เห็นเห็นตัวที่เป็นปัญหาที่มีอยู่ในใจทันทีเห็นตัวที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความหลงการที่ไม่รู้ว่าการว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นตรงนี้ปั๊บก็เข้าใจเห็นตรงนี้ปั๊บก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ต้องดับไป มันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันก็ไม่เป็นของเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็เห็นไตรลักษขึ้นมาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วถ้าไปอยากให้มันถ้าวรก็จะทุกข์เพราะมันจะไม่อยู่อย่างถ้าวรอยากไปให้มันเป็นของเราไปตลอดมันก็ไม่เป็น ก็จะได้แต่ความทุกข์ความผิดหวังนี่คือมรรคคือปัญญาการเห็นการเห็นของเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากและเห็นความทุกข์ที่ได้จากสิ่งที่ได้มาว่าเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ไม่เหมือนกับความสงบ ความสงบนี้เป็นสิ่งที่ท้าวนเป็นความสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราได้ตลอดถ้าเรามีปัญญากำจัดตันหาความอยากต่างๆที่มาคอยทำลายความสุขความสงบอันนี้พอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะหยุดความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากไม่ว่าจะอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสรรเสริญสุข ให้เจริญเพียงอย่างเดียวไม่ให้เสื่อมเราจะตัดความอยากเหล่านี้ออกไปเราจะไม่สนใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตัวพระจะไม่สนใจกับลาบยศสรรเสริญสุขถ้าเราไม่ไปอยากไม่ไปเสดมันมันจะเจริญเนื้อมันจะเสื่อมมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราเพราะใจของเรามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจนี้ นี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการที่เราจะได้เสพได้สัมผัสรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เราต้องมีความยินดีในรถแห่งธรรมที่เป็นการที่ชนะการยินดีทั้งปวงอย่าไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญสุขให้มายินดีกับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา แล้วเราจะได้ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงถ้าเราเป็นยินดีกับลาบยศสารเสริญสุขไปยินดีกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผลถภาเราก็จะได้ความทุกข์ตามมาเพราะว่าลาบยศสารเสริญสุขและรูปเสียงกดลดิ่นรสผลถภาเนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปมีการพัดพลาดจากกันเวลาเสื่อมเวลาพัดพลาดจากกัน เวลานั้นก็เป็นเวลาทุกขเวลาทรมานใจถ้าเรามาหาลดแห่งธรรมมาหาความสงบนี้หลังจากที่เราได้สร้างความสงบได้อย่างถาวรแล้วมันจะไม่มีวันจากเราไปมันจะไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นนิจจังสุขขังอนัตตามันจะถาวรมันจะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว มันจะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาส่วนรถของราบยศสารเสริญสุขรถของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างความเข้าใจที่ถูกให้ถูกต้องอย่าไปหาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้มาสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็คือความสงบของใจที่จะเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานี่แหละถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไปพบกับนิบบานังปรมังสุขขังอย่างแน่นอนถ้าเราไปหาราบยศสารเสริญสุข ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภพเราก็จะไปเจอแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็จะต้องทุกต้องน้ําตาตกต้องร้องหม่มร้องไห้อันนี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาประกาศความรู้อันนี้ว่าอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะว่ามันเป็นทุกข ทุกเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกเพราะว่ามันเป็นอนัตตาให้เรามาหาลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงคือความสงบที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะให้นิบจะให้บร ม, มสุขปรมังสุขขังกับเราไปตลอดถ้าเรากําจัด ตันหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้นี่คือเรื่องของการที่เราใช้วันหยุดพิเศษนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมารับปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตอนนี้ปัญญาของพระพุทธเจ้ายังอยู่ข้างนอกเรายังไม่ได้เอาเข้าสู่ใจ ยาเข้าสู่ใจได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติตามปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สละสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปมีภาระกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองเพื่อที่จะได้เอาเวลามาภาวนามารักษาศีลแปด เพื่อที่จะได้ทําใจให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญากําจัดตนหาความอยากเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาต้องตัดทันทีไม่ทําตามมันอยากจะดื่มอะไรก็ไม่ดื่มอยากจะดูอะไรก็ไม่ดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ฟังกลับไปหาความสงบดีกว่ากลับไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ความอยากก็จะหายไปหมดหมดแล้วก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาหาความสุขทางลาบยศจะรสริญทางตาหูจมูกเล่นกายอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องกลับมาก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะ ก็จะหมดไปจะสิ้นสุดลงนะแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนะนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดกันในวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติกันนะปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้มากได้น้อยได้ช้าได้เร็วก็อยู่ที่ เวลาที่เราให้กับการปฏิบัติว่าเราให้เวลากับการปฏิบัติมากหรือน้อยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกนี่มีสองปัจจัยปฏิบัติมากน้อยปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกอันนี้จะเป็นตัวที่วัดผลว่าจะได้ผลเร็วหรือผลช้าดัางนั้นเราต้องปฏิบัติให้มากและเราต้องปฏิบัติให้ถูก การจะปฏิบัติให้ถูกก็ต้องศึกษาจากผู้ที่เขาปฏิบัติได้ถูกแล้วคอยไปศึกษาคอยไปปรึกษาคอยไปถามสารถามไถยถ้ า, ยถามีปัญหาถ้ามีความไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติแล้วผลไม่เกิดก็ต้องไปถามแล้วว่าทำไมจึงไม่เกิดเป็นเพราะอะไรแล้วผู้ที่เขาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมาแล้วก็จะได้บอกได้อย่างถูกต้องว่า กำลังทำไม่ถูกอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรพอเรานำเอาไปแก้ไขก็ทำให้มันถูกเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเองการปฏิบัติจึงต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่มีก็ก็ไปได้แต่อาจจะช้า เช่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แต่มีหนังสือหนังหาของครูบาอาจารย์มีหนังสือพระไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์ได้ในระดับหนึ่งแต่สู้มีอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเวลามีปัญหานี้ไปถามได้แล้วก็จะท่านก็จะแก้ให้เราได้ทันทีถ้าไม่มีเราก็ต้องไปค้นตําราดูอ่านตาําราอ่านไปกว่าจะเจอคําตอบก็อาจจะใช้เวลานาน หรือไม่เช่นั้นก็ต้องลองผิดลองถูกเอาเองลองทําอย่างนี้ดูทําอย่างนี้ไม่ได้ผลลองทําอย่างนี้ดูก็ต้องลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปจะเอกับอวิธีที่ถูกต้องพอเจอวิธีที่ถูกต้องผลก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้ราช้าแต่ถ้ามีอาจารย์คอยบอกพอมีปัญหาก็ไปรายงานพอรายงานเสร็จท่านก็บอกต้องทําอย่างนี้เสอย่าไปทําอย่างนั้นะ พอไปทําตามที่ท่านสอนปั๊บมันก็ได้ผลทันทีนี่ผลชา้าผลเร็วแล้วมากจะน้อยก็อยู่ที่สองปัจจัยอยู่ที่ว่าปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อย 2. ออยู่ที่ว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติไม่ถูกถ้าอยากจะปฏิบัติถูกก็ต้องมีคนคอยบอกคอยสอนแล้วผลแล้วการปฏิบัติจะได้ปฏิบัติถูกมีคนสอนแล้วก็ต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติ ถ้าคนสอนก็ไม่สามารถบังคับให้เราปฏิบัติได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราจะปฏิบัติกี่น้อยละเท่าไหร่ดีร้อยละสิบ้อยละยี่สิบร้อยละห้าสิบหรือร้อยละ 50, ร้อยอันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองถ้าปฏิบัติร้อยละสิบผลก็ร้อยละสิบปฏิบัติร้อยละห้าสิบผลก็ร้อยละห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยผลก็ต้องเต็มร้อยเหมันเป็นเรื่องของเหตุของผล เหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือการได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยจะได้ช้าได้เร็วก็อยู่ที่การปฏิบัติและอยู่ที่การปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกดังนั้นขอให้เราปฏิบัติให้มากให้เต็มร้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าเราได้ทั้งสองอย่างนี้ผลก็จะปรากฏขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรยากรยให้ไว้แล้วว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกนี้เจ็ดวันก็ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้ผลอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงเอาความยินดีในธรรมนี้ติดตัวกับเราไปทุกขนทุกแห่งเวลาเราจะทำอะไรขอให้เราเอาความยินดีแห่งธรรมนี้ เป็นตัวพาเราไปอย่าให้มีความยินดีในลาบยศสรรเสริญสุขความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระ พ, พาเราไปเพราะมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีความยินดีในธรรมพาเราไปมันจะพาเราไปสู่นิบบานังปรมังสุขขังต่อไปการแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปะเรปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินางเปตานังอุปการปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจยโตสะเภปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถาบะนิโชติ ระโสยทาสปิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอะิวาธนสีฤทธะนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวัานติอายุวโนสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญถามได้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วขออนุญาตขออนุญาตไม่ไม่ตอบคำถามจะตอบเฉพาะช่วงนี้ กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพสูงยิ่งเจ้าคะ่ะโยมเพิ่งได้มีโอกาสขึ้นมาฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่นี่เป็นครั้งแรกนะเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าคำถามของโยมเข้าข่ายอยู่ในเรื่องของตัณหาอยากรู้โยมกราบขอภัยจากพระอาจารย์รุ่งหน้าด้วยนะเจ้าคะ่ะเรื่องของโยมก็คือว่าคุณแม่ของโยมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่สองกรกฎาคมด้วยโรคมะเร็งในสมองเจ้าคะ่ะ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็หนักไปทางทำทานซะโดยส่วนใหญ่ส่วนในเรื่องของการรักษาศีลก็เต็มบ้างพร่องบ้างส่วนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เป็นศูนย์โยมก็เลยมีความสงสัยเจ้าค่ะว่าชีวิตหลังความตายของคุณแม่ท่านจะเป็นอยู่ยังไงท่านจะมีสุขติเป็นที่ไปหรือเปล่าแล้วก็จะมีชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ นี่คืองที่ายมอยากทราบเจ้าค่ะก็อยู่ที่บุญกับบาปว่าอันไหนมีมากกว่ากันเพราะบุญกับบาปนี้จะเป็นตัวที่จะฉุดดึงใจให้ไปในทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็ต้องไปอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะไปสุขติไปสวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่มียาน อย่างทราบได้แต่รู้ได้โดยหลักธรรมก็คือบุญกับบาสนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปในทิศทางใดถ้าใจเปียบเหมือนกับเกวียนแล้วก็วัวควายนี่ก็เปียบเหมือนกับบุญหรือ บ, บาบัวกับควายนี่มันจะดึงไปคนละทิศกันวัวไปทางหนึ่ง ควายดึงไปอีกทางหนึ่งถ้าควายมีกำลังมากกว่าวัวมันก็จะไปทางควายถ้าวัวมีกำลังมากกว่าควายมันก็จะไปทางวัวฉันใดบุญกับบาปก็เหมือนวัวกับควายที่จะดึงใจให้ไปในทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ต้องไปใช้บาปก่อนพอบาปกับบุญมีกาลังเท่ากัน จะดึงไว้จะดึงให้อยู่ในอบายก็ไม่ได้จะดึงให้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วพอตายไปบุญกับบาปนี้ก็จะมาวัดกําลังกันถ้าคราวหน้าถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรรค์แล้วพอบุญกับบาปเท่ากันก็ดึงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เวียนว่ายตายเกิด สูงสูงต่ำต่ำไปตามบุญตามบาปที่เราทำกันอยู่ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดกลับมาอยู่ในพบต่ำมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุญของบาปเราก็ต้องกําจัดตัณหาความอยากที่มีในใจของเราให้หมดไปพอใจของเราไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสบุญกับบาปจะไม่มีอิทธิพลต่อใจของเรา เราไม่สามารถดึงเราไปอบายหรือดึงเราไปสวรรค์ได้เพราะเราจะไปอยู่ที่นี่ผ่านแทนย mm hmm. ั้นเรื่องของพ่อของแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเขา mm hmm. หน้าที่ของลูกถ้ายังเป็นห่วงอยู่ก็ช่วยได้ด้วยการทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับท่านเพื่อบุญท่านขาดท่านก็จะได้ใช้บุญที่เราอุทิศไปนี้ช่วยพยุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม mm hmm. mm hmm. งันเราอย่าประมาทกันดีกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรามาทำบุญละบาปกันแล้วเวลาตายไปบุญกับบาปนี้บุญจะมีมากกว่าบาปอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับผู้ที่ต้องการไปสู่สุคตินี้ก็ขอให้ทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็ได้ไปสวรรค์ แต่ถ้าเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องกำจัดความโลภโกรดของกำจัดตัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะอยู่เหนืออิทธิพลของบุญและบาปบุญบาปจะไม่สามารถชุดลากให้ไปสวรรค์เรื่องไปอบายไดเพราะบุญเพราะใจจะไปอยู่ที่นิพพานที่มีแต่ความสุข ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากเฟ e บุ๊ k คำถามแรกจากคุณฟลอเรนซ์ค่ะกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อแรกทำอย่างไรให้วางอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธได้ง่ายคะการจะปล่อยวางในเบื้องต้นก็ต้องใช้สติพยายามควบคุมความคิด ว่าอารมณ์ต่างๆเกิดจากความคิดของเราพอคิดแล้วก็เกิดความอยากพออยากแล้วก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีพอมันไม่ดีก็เกิดอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็จะเฉยๆเป็นอุเบกขาเราก็จะไม่เศร้าหมองดันั้นวิธีที่จะปฏิบัติเบื้องต้นก็ให้ใช้สติ ใ้คำบริกรรมพุทธโธเวลาที่เรามีความเศร้าหมองก็ให้พุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเดีียวความเศร้าหมองมันก็จะหายไปถ้าเราหยุดความอยากให้สิ่งต่างๆดีได้เพราะสิ่งต่างๆเขาไม่ได้จะ ด, ดีแล้วไม่ดีอยู่ที่ความอยากของเราเขาดีไม่ดีเพราะมีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาดีไม่ดีเหมือนฝนฟ้าอากาศในวันนี้มันมืดมันคลึ้มมันไม่ไม่มีแดดออก ถ้าเราอยากให้มันแา ด, ดออกเราก็จะมีความหดหูใจแต่ถ้าเรารับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะคลุ้มก็ปล่อยมันคลุ้มไปใจเราไม่ต้องไปคลุ้มกับมันใจเราสดใสเบิกบานได้ด้วยสติขอให้เราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีความอยากต่างๆกับสิ่งต่างๆพอไม่อยากแล้วใจก็จะไม่หดหู ขอสองค่ะแม่เพิ่งเสียใจคิดถึงแม่เราเศร้ามากทํายังไงให้ใจนึกถึงแม่แล้วมีความสุขได้คะก็ให้คิดว่าแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของแม่ทีนี้ร่างกายมันหมดสภาพแล้วเหมือนบ้านเก่ามันพังแล้วก็ดีแม่จะได้ไปมีบ้านใหม่อยู่ถ้าแม่ทําบุญไว้แม่ก็จะได้ไป อยู่บ้านในโลกทิพย์ก่อนไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเกา่อเป็นเด็กนี่มันดีกว่าเป็นคนแก่คนแก่นี่มีแต่โรคภัยไข้เจ็บถ้าเรากลับไปเป็นคนเป็นเด็กได้เราก็ขอกลับไปวันนี้เลยอยากจะเป็นคนหนุ่มคนสาวมีร่างกายที่แข็งแรงอันนี้มันริาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ในมองว่าร่างกายนี้เป็นเป็นที่อยู่อาศัยที่มันจะต้องพังไปในที่สุดแต่ผู้ที่อยู่อาศัยนี้ไม่ได้พังไปกับร่างกายพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาร่างกายของเขาเป็นเพียงที่พึง่งที่พึง่งที่เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่มันไม่เที่ยงที่มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บตายด้วยกันทุกคนนะเดี๋ยวก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ เหมือนกับพวกเราเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งร่างกาย น, นี้แล้วเราก็ไปรับผลบุญผลบาปพอผลบุญผลบาปหมดอิทธิพลเราก็กลับมาเกิดได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบหนึ่งก็ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วก็ไม่เข็ดสักทีก็ยังทำอยู่อย่างนั้นเพราะยังตัดความอยากกันไม่ได้ หรือไม่ยอมตัดความอยากกันข้อสค่ะภาวนามาหลายปีแต่ทําได้ไม่ต่อเนื่องทําอย่างไรให้ใจเด็ดเดี่ยวขึ้นได้คะก็ต้องคิดถึงความตายคิดถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่อาศัยอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราจะอาศัยเขาไม่ได้เวลาเวลาอาศัยเขาไม่ได้เราจะอาศัยอะไรนะ แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะมีธรรมเป็นที่อาศัยต่อไปเวลาสิ่งต่างๆที่เราอาศัยอยู่อาศัยไม่ได้เราก็จะมีธรรมเป็นที่อาศัยตอนนี้เราไม่มีธรรมเราก็ต้องรีบขวนขวายมาสร้างธรรมกันให้เกิดขึ้น อ, อ๋อมีธรรมแล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเป็นอะไรไปแล้วให้พยายามนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายที่กาลังคืบคลานเข้ามาทีละเล็กทีละน้อย ว่ามันไม่หยุดไม่หยอ่อนมันจะกลืนเราไปเหมือนกับงูที่กลืนเหยื่อเวลางูกินเหยื่อนี่มันจะมันจะเขเมือไปทีละนิดเท่นิดมันจะเข้าไปในร่างกายของงูนิดทีละนิดเท่าน้อยแต่พอเราไม่มาดูสักพักหนึงกลับมาดูอา้าเหยื่อหายไปหมดแล้วไปอยู่ในท้องงูแล้วจันได้ชีวิตของเราก็ถูกเวลาเขาเมือไปเรื่อยๆทีละนิดเท่าน้อย จากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ชราจากผู้ชราก็เป็นผู้ตายอันนี้มันเวลามันกินกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ให้มองอย่างนี้จะได้ไม่ประมาทนอนใจจะได้รีบขวนขวายจะได้เข้าใจคำพูดคำสุภาษิต ท, ที่ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตักก็คือตอนนี้เรามีเวลาปฏิบัติรีบปฏิบัติกัน ก็ต่อไปมันจะไม่มีเวลาปฏิบัติคำถามจากคุณทอมมี่คะ่ะเวลาเครียดเครียดทำอย่างไรจุดใจถึงจะว่างผมเรียนอยู่ม .6 กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยผมเครียดมากเลยครับทําอย่างไรถึงจะมีไฟหรือมีแรงบรรดาลใจในการเลิกเครียดแล้วลุกขึ้นมาอ่านหนังสือครับก็เนี่ยต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดมากเกินไป ให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่าไปคิดเกับเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาความเครียดก็เกิดจากความอยากงนั้นความอยากมันไม่ได้ทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้เกิดจากเหตุเช่นอยากจะเรียนจบแล้วก็ขยันเรียนไปที่จะจะเรียนได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความสามารถของเราก็ให้ยินดีกับผลที่เราได้รับจากการกระทาของเราเราก็จะไม่เครียด ถ้าเราไปตั้งเป้าที่มันเหนือกว่าความสามารถของเรามันก็จะทำให้เราเครียดได้เน้นขอให้เร า, เาคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันจะได้เกรดไหนก็ถือว่ามันเป็นความสามารถของเราแล้วเราก็จะไม่เครียดคำถามจากคุณอ้อวันวารางข้อแรกจำเป็นต้องเดินจงกรมกอดนั่งสมาธิทุกครั้งไหมครับต้องเดินนานเท่าไหร่คะ การเดินจงกรมนี้มันเป็นเพียงการเปลี่ยนอิเดีบทตรเช่นถ้าเรานั่งมานา น, านเราก็ปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเดินจงกรมก่อนนั่งหรือนั่งก่อนเดินจงกรมมันอยู่ที่ว่าร่างกายของเราตอนนั้นมันรับกับท่าไหนได้ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนถ้านั่งได้ก็นั่งไปเพราะว่าท่านั่งนี้มันดีกว่าท่าเดิน ถ้าจะทัง้งทำใจให้สงบนี้ต้องอยู่ในท่านั่งมันถึงจะสงบได้เต็มที่ถ้าอยู่ในท่าเดินมันจะสงบได้เพียงขึ้นเดียวเพราะใจยังต้องคอยประครับประคองร่างกายอยู่ในเวลาใจนั่งเวลาร่างกายนั่งแล้วใจก็ไม่ต้องมาประครับประคองร่างกายใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้เต็มที่เลยก็จะเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่อย่างนั้นถ้าเราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ การเดินจงกรมนี่ก็แทบจะไม่มีความจําเป็นถึงเวลาก็นั่งได้เลยแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติทั้งวันอย่างเงี้ยนั่งนานๆเข้ามันก็ต้องเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อแตการภาวนาก็ยังภาวนาต่อการเจริญสติก็ยังเจริญสติต่อเจ้านั้นจึงถึงนั้นแต่ว่าเราอยู่ในสภาพไหนถ้าเราจะมานั่งสมาธิเลย ร่างกายเราไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งได้เราก็นั่งไปเลยหรือว่าไม่ง่วงนอนถ้าง่วงนอนนี้ก็อาจจะเดินก่อนเดินให้หายง่วงก่อนเพราะการเดินนี้มันจะทำให้ไม่ง่วงได้การนั่งนี่มันจะทำให้ง่วงถ้านั่งแล้วง่วงก็อย่านั่งมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่านั่งแล้วหลับมันก็จะไม่ได้ไม่ได้สมาธิก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วง พอหง่วงแล้วก็กลับไปนั่งข้อ2ค่ะเวลานั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่สามารถรวมลงได้บริกรรมพุทธเมื่อหายใจเข้าโทเมื่อหายใจออกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือคะถ้าจิตรวมไม่ได้จะต้องทำอย่างไงต่อไปคะก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจกว่ามันจะรวมต้องดูลมไปเรื่อยๆพุทโทไปเรื่อยๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปนกันก็ได้พุธเข้าโทรออกก็ได้หรือดูลมโดยที่ไม่ใช้พุทโทก็ได้หรือพุทโทโดยไม่ต้องดูลมก็ได้มีสามวิธีก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปจนกว่ามันจะรวมจนกว่ามันจะสงบเหมือนกับการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มถ้าไม่อิ่มไปหยุดรับประทานมันก็ไม่มีวันอิ่มก็ยังไม่อิ่มก็รับประทานไปเดินไปเที่ยวไป ตักข้าวเข้าปากไปเที่ยวไปเกินไปก็ทำอย่างนี้ไปจนกว่ามันอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันก็รับประทานไม่ไหวเองมันก็หยุดเราดูลมไปพุทธโธไปพอจิตรวมมันก็อิ่มล้วก็หยุดเราก็หยุดพุดทธโธหยุดดูลมได้จากวัดป่าสายธรรมยุทธ์ทรายมูลผมเดินจงกรมผมก้าวขาขวาพุทธก้าวขาซ้ายโท แต่ผมเดินพอดีไม่เร็วไม่ช้าผมทําถูกต้องหรือเปล่าครับบางครั้งผมก็เอาทั้งลมหายใจเข้าพุธลมหายใจออกโทรพร้อมกับการเดินผมทําถูกต้องไหมครับก็ทําอย่างไรให้มันสงบก็ใช่ได้ถ้ามันไม่สงบก็ไม่ถูกนจากคุณแอนแอนค่ะเวลากําหนด จ, จิตไม่ให้วอกแวกบางทีกําลังใจใ ส, ส่จิตก็หลุดค่ะ ต้องลืมตาล้วทำยงต้องต้องลืมตาแล้วทำอีกหลายๆครั้งจะกาหนดจิตอย่างไรดีคะก็ให้จิตมีมีสติควบคุมจิตด้วยพุทโธด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธไปถ้าเดินก็ดูการเดินของร่างกายเช่นดูที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปคอยควบคุมความคิด อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสงบได้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาจำแนกงานหยาบและงานละเอียดให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์ต่างกันเพื่อประโยชน์สำหรับตัวผู้ภาวนาเองใช่หรือไม่คะก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับ ครูตามโรงเรียนครูก็จะดูความสามารถของเด็กแต่ละคนว่าควรจะอยู่ชั้นไหนดีถ้าอยู่ป .3 แล้วสู้เขาไม่ไหวก็ลงมาเรียนป .2 ก่อนถ้าอยู่ป .3 แล้วเก่งกับคนอื่นก็ให้ขึ้นไปป .4 ก็ในลักษณะแบบนั้นครูบาอาจารย์ก็จะดูความสามารถของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็จะสอนว่าควรจะปฏิบัติธรรมในขั้นไหน คำถามฝากถามค่ะถ้าได้คู่ครองที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมจะทําให้เราต่อพบต่อชาติที่ยาวไกลขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะในการใช้ชีวิตคู่ให้พ้นอบายค่ะก็ต้องมีศีลด้วยกันคือเราต้องมีศีนเขาจะมีไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าศีนใครศีลมันถ้าเรามีศีลเราก็จะพ้นอบายเขาไม่มีศีลเขาก็ไม่พ้นอบาย ศีลเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้ใจตกไปสู่บายเช่นศีลข้อ3ข้อกาเมย์อย่างนี้เราก็ต้องปรบไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะศีลข้อ3ก็ต้องศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละมันถึงจะปิดประตูบายได้ความหมายของคำต่อไปนี้คืออะไรเจ้าคะอวิชชาสรายตานางผัสสะและเวทนา เราไม่ค่อยชำนาญทางด้านอธิบายความหมายเดี๋ยวลองเข้าไปเสิร์ชอยู่ใน Google ดูก็แล้วกันจะมีคำตอบให้เยอะแยะเลยจะได้คำตอบที่ชัดเจนอยากทราบว่าถ้าวิญ ญ, ญาณออกจากร่างเดิมแล้วย้ายไปร่างใหม่คือเกิดใหม่นะคะนิสัยที่ติดตัวจากร่างเดิมยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคะทุกอย่างที่อยู่ในใจมันจะไปกับใจหมดนิสัยใจคอ ความชอบความเกลียดความโลภความโกรธความหลงหลังนี้มันจะไปหมดเพราะว่าใจก็เหมือนร่างกายเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเราเราก็ยังเหมือนคนเดิมอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดเขียวใส่ชุดขาวมันก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมอยู่ใจเวลาเปลี่ยนร่างกายก็เหมือนกันร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่มีนิสัยมีอะไร ตัวที่มีนิสัยนี้อยู่ที่ใจทำอย่างไรให้สามีอยากทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์หรือฝากใฝ่ในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เขาไม่ค่อยเข้าวัดค่ะก็ต้องใช้อุบายดึงเขาเข้าวัดเช่นชวนให้เขาไปเป็นเพื่อนถ้าเขาไปเพื่อเราเขาอาจจะไปถ้าเขาไปเพื่อตัวเขาเขาจะไม่ไป ก็บอกเขาช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยไปคนเดียวเหงาเขาก็า จ, จะสงสารไปกับเราก็ได้พอไปแล้วเขาก็จะได้ทำบุญกับเราได้ฟังเทศกับเราแล้วเขาก็อาจจะชอบขึ้นมาทีหลังก็ได้แล้วต่อไปไม่ต้องชวนเขาเขาก็จะมาเองได้นั้นในเบื้องต้นเราต้องใช้อุบายอย่าไปชวนอย่าไปดึงเขาต้องขอร้องเขาให้มาช่วยเราถ้าเขามาช่วยเราเขาก็ยินดี เพราะเขารักเราใช่ไหมเขาไม่รักตัวเขาแต่เขารักตัวเรางั้นถ้าเราบอกว่าเราไปคนเดียวเหงาอไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายใจถ้ามีเพื่อนไปด้วยรู้สึกจะบายจะสบายใจเขาก็อาจจะมากับเราก็ได้เพราะคนเราบางทีไม่ชอบไม่ชอบถูกบังคับไงแต่ถ้าเขาทําแล้วเขาคิดว่าทําให้ผู้อื่นทําให้กับคนที่เขารักเขาก็อยากจะทํา อย่างพ่อแม่ก็บางทีแกล้งชวนลูกมาบอกให้มาเป็นเพื่อนอย่างนี้ลูกรักพ่อรักแม่ก็มาเป็นเพื่อนให้พ่อให้แม่ทั้งที่ตัวเองไม่อยากจะมาแต่ก็มาเพราะรักพ่อรักแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขพอมาแล้วก็ได้ร่วมปฏิบัติร่วมทำบุญร่วมรักษาศีลร่วมฟังเทศฟังธรรมไปแล้วพอได้สัมผัสก็จะชอบขึ้นมา เพราะไม่มีอะไรจะดีกว่าธรรมของพระพุทธเจ้านังนั้นก็มีวิธีนี้ก็คือต้องใช้อุบายเพราะคนเราปกติไม่ชอบถูกสั่งถ้าไปสั่งเขาเนี่ยเขาจะต้านทันทีเธอต้องมาไว้กับฉันนะถ้าพูดอย่างนี้เขาเขาไม่มาหรอกแต่ถ้าเธอมาเป็นเพื่อนเราหน่อยนะเขาอาจจะมาก็ได้บวนได้เลยเนะออคำสารคําถามทาง บ้านที่ฝากมาหมดแล้วตอนนี้มีคำถามพูดที่ถามสดใน facebook ก็เมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสเลยเมื่อวานนี้คำถามเยอะคนเยอะเวลาน้อยคำถามจาก facebook ไลฟ์คำถามจากคุณสรัญญาถ้านั่งสมาธิดูลมแล้วก็ยังไม่นิ่งพุทโทแล้วก็ยังไม่นิ่งจิตยังฟุ้งซ่านอยู่นั่งได้ไม่นานขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ก็ต้องพุโทโธต่อไปหลังจากที่เราเลอกจากการนั่งแล้วต้องพุโทโธไปทั้งวันไม่ใช่จะมาพุโทโธเฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเองแสดงว่ากำลังเราไม่พอถ้าเป็นน้ำมันก็เราเติมนิดเดียวพอขับรถได้สองกิโลน้ำ ม, นมันมันก็หมดเราต้องเติมน้ำมันเยอะๆเราต้องสร้างสติขึ้นมาเยอะๆวิธีสร้างสติขึ้นมาเยอะๆก็ต้องพุโทโธเยอะๆตื่นขึ้นมาก็พุโทโธเลย เวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องที่จําเป็นเราก็มาพุโทโธกันไปอาบน้าไม่ต้องคิดกับพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องคิดกับพุโทโธไปรับประทานอาหารไม่ต้องคิดกับพุโทโธไปถ้าจะคิดก็เฉพาะเวลาที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานเช่นทำบัญชีออกแบบวางแผนอันนี้ต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราคิดเสร็จแล้ว นี่เวลาว่าเราก็พุทโธต่อไปแล้วรับรองได้ว่าเวลามานั่งนี้ใจจะสงบได้ค่ะคำถามจากคุณปลาณีความหมายของดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอริยาาสัจสีใช่ไหมเจ้าคะใช่แต่ต้องเห็นในใจไม่ใช่เห็นในหนังสือเห็นในหนังสือนี่ไม่เหมือนกับเห็นในใจเห็นในหนังสือนี่มันไม่มีความรู้สึกอะไร เห็นเราอ่านหนังสือทุกสมุทัยนนี่รุ่ดมากเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีผลกระทบอะไรกับใจของเราแต่ถ้าเห็นเวลาที่ใจเราล้องห่มล่องไห้ต้องเห็นตอนนั้นโอ้ตอนนี้เราล้องห่มล้องไห้เพราะเราอยากให้แฟนกลับมาหาเราแฟนไม่ยอมกลับมาหาเราเราเลยล่องห่มล้องไห้ทํายังไงดีจะทำไงได้เขาเราบังคับเขาได้หรือเปล่าเราเรียกให้เขากลับมาได้หรือเปล่าถ้าบังคับไม่ได้เขาก็เป็นอนัตตา เขาก็เป็นอนิจจังถ้าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไปอยากให้เป็นนิจจังอัตตาเราก็ทุกข์เราก็ต้องร้องห่มร้องไห้ไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากร้องห่มร้องไห้ก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาพอพอไม่ได้อยากให้เขากลับมามันก็หายทุกข์ไม่ต้องเห็นตอนทุกข์มันถึงจะเห็นอริยสัจ ต, ตอนนี้เราสุขเราสบายเราดูอ่านหนังสือฟังเทศฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆเพราะตอนนี้ไม่ทุกข์นี่ เราไปดูตอนที่เราทุกข์เลยตอนที่เราทุกข์เราถามตัวเองตอนนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะแฟนหรอทุกข์เพราะลูกหรอทุกข์ทุกข์เพราะเงินเหรอทุกข์เพราะงานหรือมันตอนนั้นเราจะเห็นอริยสัจถ้าเราใช้ปัญญาทุกข์เพราะอะไรเพราะความอยากอยากให้งานมันดีอยากให้รายได้ดีตอนนี้มันกําลังขาดทุนแล้วเราทําให้มันดีได้เปล่าทําไม่ได้เราจะทำยังไง ทำไม่ได้ก็ต้องทำใจไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าทำไม่ได้มันจะขาดทุนก็ขาดทุนมันจะเจ๊งก็เจ๊งพอยอมรับได้มันก็หายอยากหายอยากมันก็หายทุกข์เนี่ยจะเห็นอริยสัจได้ต้องเห็นที่ใจไม่ได้เห็นในหนังสือหรือไม่ได้เห็นจากการได้ยินได้ฟังหรือถ้ามันตรงกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นตอนนี้เราเศร้าหมองไม่สบายใจ พอเรามาฟังเทศฟังธรรมรู้ว่าความเศร้าหมองของเราเกิดจากความอยากของเราพอเราหยุดความอยากของเราได้ความเศร้าหมองก็หายไปอันนี้ก็จะเรียกว่าเห็นธรรมมันก็มีหลายระดับเพราะกิเลส ข, ของเรามันมีหลายระดับหลายตัวแต่ละตัวมันก็จะทําสร้างมันก็จะสร้างความทุกข์ให้เราเราก็ต้องกำจัดมันไปทีละตัวสองตัววันนี้ทุกข์กับเรื่องใดก็แก้ไปต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องนี้ต่อไป แล้วพอไปทุกข์กับเรื่องอื่นก็แก้มันไปเรื่อยๆจนไม่มีเรื่องทุกข์ให้เราทุกข์เราก็ไม่ต้องแก้คำถามจากคุณปัทมาถ้าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมานึกถึงพระอาจารย์แล้วรู้สึกดีขึ้นเพราอไม่อยากแสดงความเกลียดกาดออกมาเดี๋ยวคนรอบข้างจะว่าได้ว่าฟังเทศมาตั้งนานยังไม่ดีขึ้นใช้วิธีคิดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ที่ ที่ที่ต้นเหตุที่แท้จริงต้นเหตุที่แท้จริงก็คือความอยากของเราพอเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธเนีย่ยเราต้องพยายามลดละความอยากของเราให้ทําใจให้เรายินดีตามมีตามเกิดสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเอาเข้าวผัดมาให้ก็อย่าไปโกรธนะกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าวผัดก็ได้กินมันก็อิ่มเหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่โกรธคนที่เอากับข้าวมาให้เราผิด คำถามจากคุณเอพีหนูเป็นช่างตัดผมเห็นผู้คนทุกๆวันทั้งหล่อทั้งสวยขาวดำมีทุกผิวแต่หนูพิจารณาอสุภะนะคะ พ, พิจารณาความตายด้วยสังขารเหล่านี้ชะลาลงไปทุกเวลาอย่าใช้ชีวิตประมาทต้องเร่งเพียรสะสมบุญหนูคิดถูกทางไหมคะถูกทางแล้วคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราก็จะพึ่งพาสายมันไม่ได้ให้เรารีบมาสร้างธรรมะกันดีกว่าที่เราจะพึ่งได้ไปตลอดเพราะธรรมะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายคำถามจากคุณโสพิทถ้าจะถวายน้ำพึ่งควรจะบรรจุเป็นขวดเล็กๆจะได้ไหมคะเพื่อพระจะได้ฉันได้หลายๆครั้งจะได้ไม่จะได้ไหมคะหรือควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ได้ทุกอย่างอะเพราะว่าพระท่านมีวิธีปฏิบัติ ขวใหญ่ท่านก็ไม่รับประกันท่านก็ให้ให้ญาติโยมวางไว้ก่อนแล้วเวลาต้องการก็ให้ลูกศิษย์เทแบ่งออกมาได้ถ้าญาติโยมจะแบ่งเป็นขวดเล็กๆก็ได้ได้ทั้งนั้นพระท่านจะมีวิธีจัดการกับสิ่งของที่ญาติโยมถวายเพียงแต่ญาติโยมต้องอย่าดื้อรัน้นเพราะบางคนบอกว่าให้วางไว้เฉยๆก็ไม่ยอมจะให้พระรับกับมือให้ได้พอรับกับมือแล้วของที่รับมานี่มันจะมีอายุทันที เป็นของมีอายุเจ็วันก็ต้องใช้ให้มันหมดภายในเจ็ดวันถ้าไม่หมดก็ต้องสละไปแต่ถ้าไม่ได้รับกระเบื้อนี่ก็วางให้เก็บไว้ได้แล้วถ้กเวลาต้องการจะใช้ก็ต้องให้ลูกศิษย์มาแบ่งประเคนแบ่งมาถวายเป็นส่วนๆไปก็จะเก็บไว้ได้นานเช่นของต่างๆที่ญาติโยมมาถวานี้ส่วนใหญ่จะให้วางไว้เฉยๆแล้วก็จะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ เวลาพระต้องการก็ให้ลูกศิษย์แบ่งประเคนออกมาตามจํานวนที่ต้องการใช้คําถามจากคุณบีหน้าการใส่บาตรเป็นการทําบุญหรือทําทานคะการใส่บาตรนี่เรียกว่าเป็นการทําทานทานแปลว่าการแบ่งปันเหมือนกับเราแบ่งปันในหน้าของเราเนี่ยเวลาเราเห็นธรรมะดีๆแล้วก็กดแชร์กันแชร์กันคําว่าแชร์ก็แปลว่าแบ่งปัน เป็นการให้ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการใส่บาตรก็เป็นการแชร์อาหารของเราให้กับพระพระจะได้มีอาหารกินเรียกว่าทานการทำทานนี้ทำให้เกิดบุญบุญนี้ก็คือผลที่เกิดจากการทาทานบุญนี้เป็นความสุขใจของเราของผู้ให้บุญนี้เป็นตัวที่จะส่งใจให้ไปสู่สุขติ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 ถมเนื้อ่ อ, อนน้อมถมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นและบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี่คือเป็นบุญทั้งนั้นให้ความสุขใจในระดับที่ต่างกันไปแต่ก็ทำให้มีความสุขใจเหมือนกันเราจึงเรียกว่าบุญะังนั้นบางทีเราพูด คู่กันไปทำบุญทำทานความหมายก็คือทำทานทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันแต่เรามักจะเข้าใจว่าทำกับพระถึงจะได้บุญทำกับคนที่ไม่ใช่พระจะได้ทานความจริงมันได้บุญเหมือนกันเป็นการทำทานเหมือนกันเพียงแต่เราไม่พูดว่าเราทำทานกับพระเราเรียกว่าทำบุญเพราะเราคลายๆว่าเรายกให้พระสูงกว่าเรา ส่วนคนที่ขอทานเราจะถือว่าเขาต่ำกว่าเราดัางั้นเวลาเราให้ขอทานเราเรียกว่าทำทานแต่เวลาให้กับพระเราเรียกว่าทำบุญแต่ความจริงมันเป็นการทำบุญทั้งสองอย่างเป็นการทำทานทั้งสองอย่างทำทานก็คือการให้ให้แล้วก็จะได้บุญได้ความสุขใจคำถามจากคุณหนูนานั่งสมาธิกำลังจะนิ่งเหมือนแสบตาจะทำให้ลืมตาขึ้นมาตลอด พยายามอยู่หลายครั้งจนต้องลืมตาสมาธิต้องปฏิบัติอย่างไรคะต้องอย่าไปสนใจมันพอมันแสบตาก็ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเป็นต า, าร้ายดียังไงก็อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายเองมันเป็นนิวร์เป็นมารมาผจญมาขัดขวางการทําใจของเราให้สงบถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้มันก็ผ่านไม่ได้วิธีผ่านก็คือพุทโธไปสวดมนต์ไป อย่าไปสนใจมันจะแสบมันจะไงก็ช่างหัวมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันมันเป็นอาการหลอกเราเพราะเวลาเราลืมตาขึ้นมามันก็ไม่เป็นเวลาเรานอนหลับมันก็ไม่เป็นมันจะมาเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งหลับตานั่งสมาธิเท่านั้นก็แสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาของใจที่มันไม่ชอบนั่งสมาธิเท่านั้นเองก็อย่าไปสนใจคําถามจากคุณทัพพ่า ในส่วนของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัคความหมายของมัคตัวนี้มันเหมือนกับมัคมีองค์แปดหรือเปล่าครับก็นั่นแหละมัคที่มีองค์แปดแต่มันจะมามาสรุปที่ตัวตัวยอดของมัคก็คือสติปัญญาเพราอสติปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะกําจัดตัวตัณหาความอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเป็นการรักษาศีลก็กำจัดได้บางส่วนเช่นอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีเราก็ไม่ทำเพราะเราถือศีลมันก็ทําให้ความอยากจะทํำบาปในส่วนนั้นหายไปแต่ความอยากในส่วนอื่นมันยังมีอยู่ถ้าจะต้องการกำจัดความอยากทุกอย่างให้หมดไปนี้ต้องใช้สติปัญญาแล้วเชื่อจะกำจัดได้หมดนี่การที่เราจะใช้สติปัญญาได้เราก็ต้องสร้างพลังของใจขึ้นมา ด้วยการรักษาศีลก่อนหยุดความอยากส่วนหยาบ ก, ก่อนความความอยากทําบาปก่อนความอยากไปหาความสุขทางตาหูจะบูกเล่นกายด้วยการถือศีลแปดก่อนพอหยุดความอยากเหล่านั้นได้เราก็จะมีกําลังที่จะมาหยุดความอยากด้วยสมาธิพอมีกําลังหยุดด้วยสมาธิเราก็จะมีกําลังที่จะใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้อย่างถาวรมันก็เป็นมรรคที่มีองค์แปดนี่แหละ แต่ว่าเวลาภาวนาเวลาพูดกันนักจะพูดถึงตัวสําคัญที่สุดตัวการสําคัญที่สุดก็คือสติปัญญาคําถามจากคุณพัชราถ้าจะถือศีลแปดวันพระที่บ้านต้องเริ่มอาราธนาศีลแปดกี่โมงและลาเมื่อครบการถือเพื่อการเพื่อกลับมาถือศีลห้าไหมคะก็อยู่ที่เราเราจะรักษาเมื่อไหร่เราก็รักษาเมื่อนั้น จะอาราธนาหรือจะกําหนดจิตขึ้นมาก็ได้เช่นตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาไปจนถึงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาหรือกี่นาฬิกาก็ว่าไปแล้วก็จะรักษาศีลเหล่านี้ก็ทําไปแต่ยังมาตั้งนะตั้งตอนที่จะนอนนะเหมือนกับตั้งนาฬิกาปลุกว่าเวลานี้จะนอนแล้วจะรักษาศีล <c oughs> <c oughs> แล้วจะเล่ารักษาศีลตอนเวลาตื่น <c oughs> รักษาแบบนี้ก็มันไม่ได้อะไรเพราะเวลานอนมันก็ไม่ได้รักษามันก็ไม่ต้องรักษาอยู่แล้วมันไม่ได้ทำทาอะไรผิดอยู่แล้วต้องรักษาตอนเวลาตื่นตอนเวลาจะกินข้าวเย็นเนี่ยต้องรักษาว่าวันนี้จะไม่กินข้าวเย็นไม่ใช่รอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก่อยเข้ามาขอเชือเส้นปธรรมดาเขาจะรักษา24ชั่วโมงเขาจะไปวัดกันวันพระแล้วก็ไปขอศีลอุโบสถเรียกว่าศีลแปด แล้วพอรักษาแล้วก็จะรักษาไปจนทั้งถึงวันรุ่งขึ้นหนึ่งวันกันหนึ่งคืนคำถามจากคุณสุวิทย์คนยากจนไม่มีเงินซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวต้องหาปูหาปลามาเลี้ยงครอบครัวเขาเขาจะรักษาสินได้อย่างไรครับก็หาอย่างอื่นซิหาผักก็ได้ไปเก็บผักหาขยะ ก, ก็ได้มีขยะให้หาเยอะแยะตามท้องถนนลองเดินไปสองข้างทางถนนเนี่ย มีขวดมีกระป๋องมีอะไรเกินกาดไปหมดถ้าจะหาจริงๆหาได้บางทีความมาักง่ายมากกว่าอะไรนันงง่ายก็จะหาอย่างนั้นกันหาปูหาปลามันง่ายก็หาปูหาปลากันแทนที่จะไปหาหาของไปรับทางานอ า, อาจจะไปเป็นกรรมกรอาจจะไปเป็นคนรับใช้ผ า, าดบ้านถูบ้านมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ต้องท่าสัตว์ตัดชีวิตได้ แต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเพราะต้องไปรับใช้เขาก็เลยไม่อยากไปทำอาชีพอย่างนั้นทูไปหาปูหาปลาดีกว่าก็เลยไปทำบากคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำบากในการที่จะดำรงชีพมีอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะแยะที่เราสามารถทำกันได้อยู่ที่ว่าเราใจทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองคำถามจากคุณกรารปภา หากถือศีลแปดแต่มีปัญหาโรคกรเพาะและกดไหลย้อนจะสามารถหารายทานิดหน่อยโดยพิจารณาว่าเป็นยาเพื่อให้ทุก์เวทคณะเบาบางลงบ้างได้ไหมคะถ้าเป็นโครคภัยแค่เจ็บก็อย่าไปถือมันเลยดีกว่ายอมรับความจริงดีกว่าว่ายังรักษาศีลข้อนี้ไม่ได้อย่ามาให้มันเป็นข้อแอบอ้างว่ายังรักษาอยู่เราตักกินเพื่ อ, อยานี้มันพลังแล้วมัน มันขัดกันยังไงอยู่เราไปรู้กินเพื่อยากินยังไงกินมากกินน้อยแค่ไหนเวลากินกันจะไปรู้ว่าเรากินมากกินน้อยกินเพื่อยากินเป็นยาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องกินก็ถือว่าเราอย่างรักษาสีนข้อนี้ไม่ได้ก็อย่าอย่าเพิ่งไปรักษามันรักษาข้ออื่นไปก็ได้แต่ยันถือสีนแปดก็เอาสีนเจ็ดก็ได้สีนข้อที่กินอาหารนี่ก็ขอขอ ขอรอให้รักษาให้ลูกกระเพาะหายก่อนแล้วค่อยมารักษาแต่สินค้ออื่นรักษาได้ก็รักษาไปขอบมิตาพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะอ่าคุณหนุหนนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆจิตก็แบบเหมือนมีอะไรแบบหมุนๆแล้วก็น่ากลัวมาก่ะ แล้วแต่นูก็ปล่อยมันไม่ได้กลัวอะไรสุดท้ายก็เหมือนปุ๊บลงแล้วก็ว่างหมดเลยอะคะ่ะว่างหมดแล้วก็มีความรู้เหมือนรู้อยู่มีรู้แล้วกับร่างกายของเราว่างแล้วก็บังคับความคิดไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้เลยแต่ในอารมณ์นั้นรู้สึกว่าตัวเองอไม่ได้หายใจไม่มีลมหายใจแล้วก็ มีความสุขมากเลยคะ่ะไม่เคยเจอมาก่อนหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยคะ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งแล้เหตุการณ์ที่สองก็คือว่านั่งสมาธิแล้วจิตก็บอกเองว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเทียบได้มีเงินมากมายแค่ไหนก็เทียบกัดกับการเห็นสิ่งนี้ไม่ได้ แล้วก็จากนั้นก็จิตก็พองเบิกบานหน้าเรารู้สึกว่าเรายิ้มออกมาจากข้างในเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออย่างนี้อีกเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็เป็นความสงบของใจที่เกิดขึ้นด้วย เ, เหตุปัจจัยที่มันพร้อมบางทีบางเวลามันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมมันก็สงบข้ามันขึ้นมาเองแต่มันก็เป็นของชั่วคราว ถึงแม้จะดีขนาดไหนมันก็ยังเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราอยากจะทำให้มันมีบ่อยๆเราก็ต้องมาเจริญสติให้มากช่วงนั้นมันอาจจะสติดีใจไม่หยุดไม่คิดไม่อะไรมันก็เลยสงบตัวลงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีตรงที่ว่ามันทําให้เราเห็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เรา ที่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นกันถ้าเราเห็นความสุขแบบนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อก็มาสร้างความสุขวันแบบนี้ต่อไปวิธีจะสร้างความสุขแบบนี้ก็ต้องเจริญสติให้มากให้มีสติควบคุมความคิดแล้วก็นั่งสมาธิให้มากแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะกลับไปได้กับได้ความสงบแบบนี้อีกแล้วก็จะได้แบบถ้าวอเพราะเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทาให้มันสงบ ก็คือเรามีสติในเบื้องต้นแล้วพอเรามีสติแล้วขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญาต่อไปเราก็จะได้ความสงบตลอดเวลาเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กทรงเป็นพระเยาว์ทรงประทับอยู่ตามลาพังอยู่ใต้โคนไม้ในวันหนึ่งช่วงนั้นพวกข้าราชบริพารไปทํากิจธุระอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ห้อมร้อมไม่ได้เฝ้าพร ะ, ะองค์ ปอให้พระ อ, องค์ประทับอยู่ตามลำพังพอจิตมันไม่มีพอร่างกายไม่มีใครมารบกวนร่างกายวิเวกจิตก็วิเวกขึ้นมาเนี่ยจิตของคนเราบางคนถ้าไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรมามารบกวนทางตาหูจมูกเง่นกายถ้ามันมีพลังมันจะเข้าไปสู่ความสงบของมันเองอันนี้อาจจะเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการได้เคยทำสมาธิมาในในอดีตชาตินะ พอเรามาอยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกับในอดีตคืออยู่ตามน้ำพังกายวิเวกพอกายวิเวกจิตที่เคยวิเวกมันก็เลยวิเวกขึ้นมามันก็เลยสงบขึ้นมาแต่มันก็สงบเพียงชั่วครู่เดียวลนาเดียวมันก็กลับมาสู่ความวุ่นวายต่อไปถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้อีกเราก็ต้องไปวิเวกทางกายต้องไปเปรีกวิเวกแล้วก็ต้องเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดให้ได้ พอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อีกถามอีกไหมการจะหมดต้เลยกีเลยกี่ข้อโอเคคำถามจากคุณเสือคนไม่ละเมิดศีลแต่ไม่รู้เรื่องศีลกับคนตั้งใจรักษาศีลผลที่ได้เท่ากันไหมคะผลได้เท่ากัน ก็ไม่ก็ไม่ได้ทำทาบาปเหมือนกันไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเหมือนกันก็ผลก็เท่ากันแต่เหตุอาจจะไม่เหมือนกันคนที่เขาเขาไม่ไม่ไม่ทำบาปอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนิสัยของเขามาแต่นั่งเดิมเขาไม่ชอบทาบาปอยู่แล้วส่วนคนที่ตั้งใจจะรักษาศีลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยชอบทาบาปแล้วมารู้ว่าทาบาปนั่ไม่ดี ก็เลยพยายามที่จะมารักษาศีลด uh yeah, uh ้วยความตั้งใจผลก็คือเหมือนกันก็ไม่ได้ทำบาปเหมือนกันผลอันที่สองก็เป็นเหมือนกันแต่เหตุที่ทำให้มารักษาศีลไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเหตุไม่สำคัญสาคัญที่ที่การกระทําถ้าเรารักษาศีลได้ด้วยเหตุผลอันได้ผลมันก็ได้เหมือนกันรักษาศีนเพราะกลัวบาปเพราะกลัวจะต้องไปรับผลบาปก็รักษาไปก็ได้ผลเหมือนกัน รักษาศีลเพราะชอบรักษาศีลก็ได้ผลเหมือนกันอยากอยากเรียนถามพระอาจารย์ข้อหนึ่งนะครับคืออย่างคนที่ชอบรักษาศีลก็จะมีความสุขเวลาตนเองได้รักษาศีลหรือทำบุญทำทานางนี้ใช่ไหมครับส่วนคนที่นิสัยชอบเอาเปรียบหรือว่านิสัยขี้โกงหรือว่าพยายามที่จะคิดหนทางที่ เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเวลาคิดได้เราจะมีความสุขหรือหรือเปล่าหรือว่าเวลาเขาคิดได้แล้วเนี่ยวิธีที่เขาจะเอารัดเอาเปรียบเนี่ยหรือเวลาคนเขารู้ทันว่าเขาเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเขาจะไม่พอใจใช่ไหมฮะมหรือเขาจะรู้ตัวว่าเขาลึกๆแล้วข้างในเนี่ยมีมีความรู้สึกอไม่สบายใจอยู่ที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับอยากจะเข้าใจจิตใจของคนลุตประเภทนี้ก็ความสุขมัน เป็นความสุขที่ปลอมเวลาเราได้อารต์เอาเปรียบใครเราก็สุขดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วก็อาจจะมีความกังวลตามมาทีหลังว่าเราไปเอาลตดเอาเปรียบเขาเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาเอารต์เอาเปรียบเราหรือว่าถ้าเขาไม่รู้เขามารู้ทีหลังเราก็จะกลายเป็นคนเสียเครดิตไปส่วนความสุขจากการที่เราไม่เบียดเบียนนี่มันเป็นความสุขที่สะอาด บริสุทธ์ไม่มีผลเสียตามมามันก็ต่างกันตรงนั้นจิตใจเราจะไม่มีไม่มีความรู้สึกหวาดวิตกกังวลคือเราไม่มีแผลใจการทําแบบนี้เหมือนกับมีแพ้ใจเหมือนวัวสันนิว่านบางทีทําผิดกฎหมายนี่บางทีไปเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจ ท, ทั้งทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเราเร า, เราทําผิดกฎหมายก็เาเขาไม่ได้มาตามจับเราแต่พอเห็นห้างเขานี่เราก็ตกใจขึ้นมาแล้ว พอเรามีแผลอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราเจอเจ้าหน้าที่ตารวจกี่ครั้งเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความหวานไหวไม่มีความหวาดกลัววิตกกังวลแต่อย่างใดนั่นคือผลที่เกิดจากการาทำบาปกับการไม่ทำบาปทำบาปอาจจะมีความสุขโกงเขาได้ชนะเขาได้ของของเขามามันเป็นความสุขเดียวเดียวได้ตอนตอนขณะที่ได้มาดีใจ แล้วเดี๋ก็ต้องมาคอยระมัดระวังคอยหลบหลบซ่อนๆเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาตามจับหรือเปล่ า, างั้นมันก็เป็นความสุขปลอมคนที่ทําบาปเขาก็เขาก็มีความสุขตอนที่เขาได้ไปพ้นธนาคารได้เงินมาก็ดีใจแล้วก็ต้องมาคอยหลบหลบซ่อนซ่อแล้วดีไม่ดีไม่ช้าก็เลยก็ถูกจับไปลงโทษอยู่ดีไม่กลายเป็นคน กายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่คนที่ไม่ไปโป้นไปไปจี้ไปรักทรัพย์หาเงินมาด้วยความสุดเจริญก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาีม่ประโยชน์อยู่ตรงนี้ความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้รักษาศีลแล้วจะได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาทําบาปแล้วก็จะได้ความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอภุตครับเบีกไหม